มีใครพึ่งมาวันนี้มีไม้สมพ่อยมแม่สลันมาไงเห็นว่าอยากจะถามสนทนาธรรมเหร อ, อมีอะไรอยากถามอยากสนทนาว่ามาเลยให้โอกาสเอามืดๆ น, น, นี่แหละ <c oughs> ใจถึงใจเลยอาจารยถามพระอาจารย์รอถามว่าไงสมัยที่เลื่อนปวดหม่หมแล้วก็ อ่านปวัติาชการนะครับเราประมาที่ค้ำแห่งนี้นะแล้วก็เกิดนักบำบังทีตอนนั้นเนี่ยมันมันมีอะไรโกรธใจเราหรือมีกลวิธีอะไระอืมางเงี้ยแขอแค่เรกลวิธีเหรอกลวิธีต้องเป็นของตัวเองนะไม่มีสูตรสำเร็จวิธีไหน ที่ทำให้จิตของเรามันสงบได้เอาเลยจะบริกรรมก็ได้ดูลมก็ได้พิจารณาความตายก็ได้พินาอนัตตาก็ได้สุญญาตาก็ได้พิณาความไม่เที่ยงทั้งหลายซึ่งเราผ่านเหตุการณ์ทั้งหลายมามันมีแต่ความไม่แน่นอนหรือความรู้สึกนึกคิดของเราที่เราเคยคาดเคยหวังแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันมัน มันไม่สามารถที่จะยึดติดขล้องอะไรได้เราอยากให้จิตเราปล่อยวางถ้าทำแล้วจิตของเรามันเข้าสู่ความสงบได้อันนั้นแหละคือวิธีของเราสรุปแล้วคือใช้ทุกวิธีวิธีไหนก็ได้ที่มันพอดีในขณะนั้นที่จะทำให้จิตของเราเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็รู้ความจริงได้ เช่นถ้หาว่าขณะที่เรากําลังมีเหตุอะ้าวมีเรื่องกระทบถ้าเราจะไปพุทโธพุทโธมันไม่ไหวแล้วไปเพ่งลมมันก็ไม่เอาเพราะเรื่องแวบแวบแวบอยู่อะเรื่องไอ้เก่าเก่าอะซ้ำซ้ำอยู่นั่นมันก็ปรลบเหตุมันเนี่ยอ้าวโอนี่นี่หรอมันไปยึดติดคาพูดของเขาแล้วชั่าเขาว่าเราอย่างเงี้ยมันก็ต้องพิจารณาแล้วเเขาก็ตายเราก็ตายอ้าวถ้ามาหาว่ามันอย่างนี้มันเลยมันเลิกมันเลิกคิดมันขี้เกียจคิดมันก็วางก็ได้หรือว่าเออเราเคยทําเข้ามา เพราะฉะนั้นเอาเขาเอาคืนเออแล้วกันไปดีแล้วจะได้ใช้กรรมไม่หมดหมดไปซ ะ, ะเราจะได้ระวังตัวไม่ทํากรรมแบบนี้อีกทามันสงบก็เอาได้อีกหรือว่าเอพระพุทธเจ้าก็ท่านมีเมตตานะท่านสอนให้เรามีเมตตานี่นาไ อ, อ, อ้ถ้าหาว่าเราจะไปพยาบาทกันอยู่โกรธกันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะสอนตัวเองถ้าหาว่ามันเชื่อมันระงับลงไปก็เอาหรือว่า มันนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้นี่เหรอโทษของความโกรธเนี่ยโทษของความไม่พอใจเนี่ยแหมมันบีบคั้นใจจริงๆเลยนะเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะเอ้ยเราก็ไม่รู้บางทีเขาอาจจะหะัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทําอะไรอยู่ก็ได้ไอเรานี่แหม ม, มันมาทุกข์อยู่คนเดียวนี่นามาคุ้นคิดอยู่คนเดียวนี่โอ้มันเป็นเพราะความโง่ของเราเองนะเนี่ยอ่าทามันสงบเอาได้เปรียบเทเียบเปรียบเทียบนะ หรือบางคนนี่ไม่เอาอย่างนั้นเขาใจเด็ดลิ้นแตะเพดานตัดันเข้าไปตั้นลมหายใจมึงไม่หยุดกูไม่หายใจ <c oughs> นี่สุดท้ายเอาที่ตายเป็นตายถ้ามึงไม่หยุดกูไม่เลิกทําำ <c oughs> บางทีมันก็กลับเข้ามาหาตัวเองพอใจมันมันอยากหายใจน่ามันก็รีบวิ่งกลับคืนมามันก็เลยทิ้งเรื่องนั้นไปหมายาว่าวิธีไหนก็ได้ หรือไม่เอามันละแหม่สบายๆดีกว่ามองนู่นมองนี่เดินไปดูนั่นดูนี่เพลินไปเอามันแรบไปบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มเห็นมันละดูนู่นดูนี่เอออันนี้เนี่ยเนี่ยดูซีนี่ต้นไม้ก็สวยดีนะเนี่ยเออมันก็อยู่ของมันไปนะเนี่ยมันไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรฝนไม่ตกมันก็อยู่ได้ฝนตกมามันก็อยู่ได้มันก็อยู่ของมันไปฝนไม่ตกมันก็อดทนเอาอ่ามันอยู่ไม่ไหวมันก็ผัดใบเสียเพื่อป้องกันแม่น้ํามันระบายน้ําออกไป ถ้าฝนตกลงมาเมื่อไรมันก็ผีใบใหม่จะเริ่มงอกงามขึ้นไบใหม่เออเพราะมันพูดไม่ได้มันก็เลยไม่พูดมันไม่มีจิตมันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายหรือเป็นสัตว์บางทีมันก็ทุกทรมานของมันแต่ว่าแหมมันก็ไม่รู้จะไปบอกใครมันไม่รู้จะไปโกรธใครเคืองใครมันก็อยู่ไปตามกรรมของมันมันก็ทนทุกทรมานคล้ายๆเรานี่แหละแล้วเราก็ต้องอดทนอยเหมือนกันแหละไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มันก็ต้อง มีเรื่องเรามีสิ่งที่มาทําให้เราเป็นทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละอา้าวมันก็วางได้ก็เอาเดินไปเดินมาบางทีอา้าวแวบไปบ้างเดินเที่ยวไปสบายอกสบายใจพอมันแวบไปเห็นแวบไปเห็นสุดท้ายจางไปดับไปเองก็ได้หมดรอบประมาณแล้วมันดับเองขึ้นอยู่กับเรานี่ยเนี่ยเพราะนั่นนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะหมายว่าไม่มีสูตรสาเร็จไม่มีอะไรตายตัวสรุปแล้วก็คือว่าวิธีไหนก็ได้ทําให้จิตเราสงบเข้าไป สงบแบบนี้มันสงบแบบมีสติตามดูอยู่เป็นสมาสติสมาสมาธิมีความเห็นถูกต้องแล้วก็สงบลงไปสงบแล้วก็รู้สึกตัวรู้ตัวถ้าในแง่ของอินทิบาทีถ้าใช้ปัญญาไตายตองอย่างนี้เขาเรียกวิมังสาสมาธิมีปัญญาไขาวรวนแล้วสงบลงไปเป็นสมาธิเขาเรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานสังขาร มีความเพียรต้องมีความเพียร้วยนะแล้วก็อาศัยปัญญากินพิจารณาไต่ตรองเออาไปถ้าว่าใครมีสันทะมีความพอใจมุ่งมั่นบากบั่นอยากปฏิบัติพอใจปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าขอให้เดินตามทางของพระพุทธเจา้าโอพระองค์เนี่ยทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ในชาติปัจจุบันก็สละทรัพย์สมบัติมเหสีราชโอรส ไม่เอาอะไรเลยนอกจากทางพนทุกดับทุกโอ้พระองค์สละขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะมาเอาอะไรอยู่เราก็เดินตามพระองค์สีปฏิบัติตามพรองค์สีแล้วพอใจปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารจิตเป็นสมาธิด้วยฉันทะด้วยความพอใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ต้องมีความเพียรมุ่งมั่น บ, บักบันปฏิบัติ ต, ต่อไปอีกแต่ใครบุกเลยโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ออกบวชรงผนวดคําว่า เบื่อนายท้อแท้อันนไม่มีเลยมีแต่จิตมุ่งมั่นบากบั่นอย่างเดียวเด็ดเดียวอาถรรพ์มากโอ้โหเรานี่ก็ต้องเป็นสาวกของมูเตจ้าก็ต้องจริงจังสิเด็ดขานลงไปบุกเพียรสู้แต่วเพียนมีเพื่อสร้างเหตุทําตามมูเตจ้าท่านทนลําบากเวลาท่านต่อสู้นุ่นขึ้นเขาเลยนุ่นเขาดงคาสิลีโอไปดูได้เลยนะข้างบนเขากว้างขวางใหญ่โตแล้วก็อู่สมัยก่อนนี่ ทุลักันดานมากโจรผู้ร้ายชุกชุมที่สุดนี่ผู้เจ้าไปทรมานตนไปทําความเพียรที่นั่นด้วยพระไทยที่มันเข้ม แ, แข็งเด็ดเดียวอาถรรพ์มันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในในจิตใจเขาจึงมีสร้างพระพุทธรูปว่ามีขี้โคอ่ะหนังหน้าท้องติดกระดูกสันหลังเลยขี้โคมาเป็นขี้ๆแสดงว่าประเพียรจนถ่ายพร้อม ไปเห็นแล้วก็มีกําลังใจแต่นี่เรียกว่าวิริยะสมาธิประธานสังขารมีความเพียรปฏิบัติเป็นสมาธิเพราะความเพียรแล้วก็ต้องมีสมาธิเพราะความเพียรแล้วต้องเพียรให้ยิ่งขึ้นไปด้วยกิตตสมาธิประธานสังขารและประธานสังขารกิตตสมาธิคือจิตจ่อเข้าไปเลยเพ่งเข้าไปไม่คาดเคลื่อนไปไหน แน่วแน่าสายการบังคับจิตหรือว่าทุ่มเทจิตใจอุทิศชีวิตเลยควบคุมจิตเอาไว้อันนี้เรียกว่าจิตตสมาธิประธานอนสังขารเป็นสมาธิพราะกําลังของจิตแล้วก็ต้องเพียรพยายามด้วยแล้วผู้ที่จะบรรลุธรรมผู้จะพูดถึงโซตาปฏิยังคะหมายว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคล ต้องมีคุณสมบัติสีข้อเนื่องครบสัตบุรุษสัตบุรุษในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพูเจ้าหาไม่แล้วก็หมายถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะผู้ที่สามารถบรรลุตามพระพุทธเจ้าได้แล้วก็นำเอาข้อสอนของพระเจ้ามาชี้แจง แ, จงแสดงให้ฟังให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามได้ บางทีมันก็จําไม่ได้คําพูดของพระติจ้าแต่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ให้ผู้ฟังเนี่ยเอามาปฏิบัติได้มันก็มีประโยชน์สําหรับผู้ฟังหรืถ้าไม่มีครูบาอาจารย์จริงๆก็ต้องอาศัยคําสอนของพระติจ้าในพระไตรปิฎกแต่ทีนี้มันอ่านแล้วเข้าใจยากบางทีบางทีพระเจ้าก็พูดไว้ยอ่อๆแล้วคําพูดพอมาแปลเป็นไทยแล้วนี่โอ้โหแต่ละคําแต่ละคําเนี่ย ต้องเด็ดแปลไทยเป็นไทยอีกนะคือมันแปลมาจากบาลีอ่ะพอแปลเป็นไทยบางทีก็สำนวนมันก็เราไปอ่านดูแล้วความหมายดั้งเดิมมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อ่านแล้วก็งงๆบางทีอ่ะก็ต้องค้นคว้าศึกษากว่าจะเข้าใจได้ถ้ามีคนเข้าใจแล้วเอามาอธิบายให้เราฟังโอ้เราง่ายเลยที่นี่เนี่ยเรงว่าคบสัตตบุรุ เมื่อครบแล้วก็ต้องฟังธรรมของท่านฟังธรรมสตัต บ, บุรุษคือฟังพระสัทธรรมพระสัทธรรมนี้หมายถึงธรรมะเพื่อออกจากทุกข์ตามจริงอันที่จริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกข์ทั้งนั้นแหละเมื่ออย่าเป็นทานเป็นศีลก็ตามสอนให้ทําความดีทั้งหลายก็ตามเพื่อเตรียมจิตใจพื้นฐานทางจิตใจใ ห, ให้มีความพร้อมให้มีพื้นฐานที่ดี พื้นฐานเป็นฝ่ายกุศลไม่ใช่อากุศลเราทําอะไรก็ตามถ้าอากุศลมันจเจริญขึ้นอย่าไปทําทําแล้วอากุศลมันจะคข่มงําจิตมันจะเพิ่มพูนขึ้นแล้วตัวเองก็หลงไหลไปกับไออากุศลเหล่านั้นเป็นนิสัยของตัวเองกลายเป็นคนที่จมอยู่กับอากุศลทั้งหลายอย่างนี้ปฏิบัติทําไปก็ไม่จเจริญก้าวหนะ้าเพราะมันไปเพิ่มกําลังของอกุศลให้จเจริญขึ้น ถ้าหาว่าทําแล้วอากุศลมันเสื่อมกุศลมันเจริญเอออันนี้ควรทําเมียที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าอินอ่ท ะ, กกะท้าสกะเทวราชอย่าเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามถ้าอกุศลมันเจริญขึ้นกุศลมันเสื่อมอย่าไปเกี่ยวขอ้องเรื่หลักธรรมของพรุทธเจ้าเป็นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือเพื่อให้มีพื้นฐานทางใจที่ดีการที่สอนให้ทําบุญทําคุณงามความดีทํากุศลทําอะไรก็ตามทีนี้มันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของผู้ฟงัง แต่ผู้ฟังอินทรียังอ่อนอยู่ก็ต้องเอาให้มีความศรัทธาทําความดีอะไรไปก่อนเจอโจรก็สอนโจรเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ทั้งโจรเวลาป้นอย่าเอาหมดนะอสอนโจรป้นอย่าไปเอาหมดถ้าเอาหมดแล้วเดี๋ยวก็ทีหลังเขาก็ไม่มีไม่มีทุนเออไปหาทรัพย์หาอะไรมาเพิ่มมาเติมเดี๋ยวเราก็หมดทางหากินแล้วไม่ให้ข่าเจ้าทรัพย์ไห้ข้าเจ้าทรัพย์แล้วก็ มันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วกับทางราชการเขาก็จะหมายหัวโจรก็อยู่ลําบากอีกแล้วไม่ให้ภาคกุมารีไม่ให้ย่ํายีกุมารีพวกผู้หญิงอะไรหญิงสาวพวกผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยโอ้ดูสิเราฟังเดโอสอนไปทุกอย่างเลยนะอย่างน้อยให้มันดีขึ้นมาคนที่เออมันยังรักษาศีลไม่ได้ก็เอารักษาแต่ธนนคมไปก่อนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก่อน เนี่ยรักษาศีไม่ได้ทำยังไงอะ่ะมันจำเป็นทำมาหาจินแต่ ว, ว่าให้ทำบุญนะให้รู้จักทำบุญทำความดีเพื่อว่ามันจะได้ลดเชือจางไอ้พวกอกุศลเหล่านั้นด้วยก็อสอนไปตามลำดับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีเหตุปัจจัยพอสมควรแล้วถึงพร้อมแล้วเนี่ยต้องปูงพื้นฐานให้คิดตัวเองเสก่อนฝายกุศลให้มันจเจริญขึ้นเชิญทานศีลภาวนาคุณงามความดีทั้งหลายทา ทำเสร็จแล้วต้องสติรักษาจิตนานมาที่จิตแล้วนานที่นี่สิรักษาจิตตัวสตินี้มันมีหน้าที่รักษาจิตควบคุมจิตคุ้มคองจิตและเเวดระวังจิตเพราะนั้นต้องรักษาสติอันนี้เป็นระบบเลยไม่ว่าทำอะไรอยู่พยายามมีสติทำจนมันเป็นมันเป็นอัตโนมัติอ่ะทาวาใครพยายามทำความดีอยู่เรื่อย เป็นประจำอย่างนี้มันสงบง่ายเป็นสมาธิง่ายนี่ก็เป็นสูตรสาเร็จได้เพราะมันเดินตามทางพระพุทธเจ้ามีกามสารวมทาถูกต้องตามหลักทมคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจมันจะมีกำลังขึ้นมาเองเลยมองหาข้อผิดพลาดบกพร่อของตัวเองไม่มีถ้ามีก็พร้อมเลยจะแก้ไขไม่ฝืนไม่ปกป้องตัวตนที่มันผิดนั้น มันก็ตัวตนชนิดหนึ่งนะอะไรแม้กระทั่งความผิดกลัวตัวตนมันจะยุบย่อบลงไปเนี่ยโอ้โหมันเนี่ยพวกอวิชชาพวกกิเลตันหาอวบาทานเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเพราะนั้นถ้าใครใจกว้างหอ่อเอาถ้าผิดพลาดบกพ ร, ร่องเหลือรู้แก้ทันทีกออย่างนี้ไปได้เร็วคนนั้นน่ะแต่ถ้าใครหวงแหนอะไรอาวร์อยู่มันไปไม่ได้ มนรักษาจิตแล้วก็เอาจิตสงบลงไปตอนที่จะทำความสงบนี้ทางไหนก็ได้มันจึงแตกต่างกันบางคนบริกรรมคำบริกรรมก็แล้วแต่พอเพียงเพื่อให้สติมันรักษาจิตได้สติต้องเหมือนกันทุกคนสมาธิเหมือนกันทุกคนสภ า, าวะของมันเนี่ยพราะฉะนั้นการเริ่มต้นยังไงก็ได้หมดดูลมเข้าลมออกได้ลมเข้าพุทลมออกโทได้ลมเข้าพุทนับหนึ่งลมออกโทนับหนึ่ ง, อองได้ ทีนี้มันก็มันก็จาะเข้ามาหาจิตลราสติมันรักษาจิตได้แล้วเนี่ยเป็นสมาธิสมาธิก็ขึ้นอยู่กับว่ากําลังของสติมา ก, กน้อยถ้ามันมากมันก็คุมจิตได้ดีมันก็อยู่นานเป็นสมาธินานแต่ถ้าหาว่ากําลังสมาธิกําลังสติยังไม่มากพอมันก็ยังคุมไม่ได้ เ, เดี๋ยวก็ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็เล่นลอดไปเล่นหลอดไปก็ต้องฝึกไป มันจะกี่เดือนกี่ปีก็ช่างไม่เป็นไรอ่ะเพราะเราจเจริญสติเรื่อยไปผู้เจ้าให้พอจใจสร้างให้ปฏิบัติเรื่อยไปถ้าสงบลงไปแล้วอา้าวมันมันมีกําลังแล้วก็อา้าวมันพอที่จะรู้ได้ไหมว่าไอ้ร่างกายของเรามันไม่ใช่ของเราพอจะทําได้ไหมให้มันรู้ให้ออกมารู้ก่อนก็ได้รู้ว่าเรานั่งอยู่ยังไงรู้ว่าส่วนไหนมันเป็นยังไงหรือทํายังไงให้มันจาะเข้ามา อย่างวันนี้วันนี้ก็สนทนาธรรมที่ที่ไปสอนเนี่นยแหละบอกว่าเอา้าทุกคนนั่งอยู่นี่มีใครจะไม่ตายมีไหมต้องบอกไม่มีอ่ะเอาแสดงว่าตายทุกคนใช่ไหมใช่ตายทุกค น, ใ, ใ, กคนในเมื่อมันเป็นความจริงอย่างนี้เอาจิตส่องเข้ามาที่ร่างกายของเราแล้วก็บอกว่านี่ภาพลวงตาเฉยๆที่มันนั่งอยู่นี่คือภาพลวงตาเพราะมันจะตายอยู่แล้วจ่อเข้ามาเลยบางคนเอาเลยนะจ้องเข้ามารวบลัดเลยทีนี้ เอาเลยนี่แหละมันไม่ได้ใช่เราจริงไอ้ตรงเนี้ยจะบอกว่าอนัตตาก็ใช่จะบอกว่ามันเป็นธาตุดินก็ใช่เอาสิใครถนัดยังไงเอาเลยนี่แหละลับเลยสั้นเลยตรงเข้ามาเลยปักลงไปเลยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาได้ด้วยถ้าหาว่าจิตมันมีกําลังพอแต่ถ้ามันยังกําลังไม่พอมันก็เป็นสมถะไปก่อนจ่อเข้ามาก่อนอาศัยร่างกายเป็นหลักกายขัตาสติจ่อเข้ามาอากายเอาส่วนได้ส่วนหนึ่งก็ได้ เอาทั้งก้อนก็ได้นี่คือท่าดินแล้วก็เป็นความจริงด้วยจิตเทียงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แต่กำลังจิตพอไหมถ้ากำลังจิตไม่พอมันจะเหนื่อยก็ต้องถอยก่อนก็เอาสบายๆก่อนบางคนเขาพอเขาจ่อได้จ่อได้จิตก็ปักลงไปตรงนั้นดูลงไปดูลงไปดูไปกำลังพอเห็นจิตก็เป็นจิตกายเป็นกาย กำลังพออีกเห็นทั้งกายทั้งจิตไปพร้อมกันนี่มันก็ไปตามลําดับดับสุดท้ายพอจริงๆก็คือไม่ใช่ของเราเด็ดขาดวางจริงเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นนะมันเกิดขึ้นจริงกับจิตเราเลยนะมันไม่ใช่ว่าจะไปคาดเดาเอานะมันเป็นคุกคงจะเป็นอย่างนั้นละมัม้งมรรคผลตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมั้งมันไม่ใช่เห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชัดเจนจิตปล่อยวางได้ เพราะนั้นไอ้เวลาปฏิบัติเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับภูมิของจิตของแต่ละคนว่าอยู่ระดับไหนเราทําทําแล้วมันพอดีกับจิตเรามันไม่เหนื่อยเราก็ทําบางทีพุโทโธพุโทโธบางคนพุโทโธแล้วก็เดี๋ยวกับใจลอยไปง่วงซึมไปอย่างเงี้ยมันก็ต้อจาะเข้ามาหากายนี่ให้มีงานทําเนียเพ่งตรงไหนเป็นเราเป็นของเรา มันก็ขยับได้สมัยปฏิบัติอยู่ก็เริ่มต้นก็เ น, นี้ยเจริญสตินี่แหละพอเป็นตอนที่บวชแล้วก็ตอนที่ไปปฏิบัติตามสำนักก่อนเนี้ยเป็นระบบเดินจุกรมนั่งภาวานาต่อเนื่องแต่ถ้าออกไปทำงานแล้วก็คือทำอะไรอยู่ก็ตามพยายามมีสติถือเป็นการปฏิบัติธรรมก็พอพอที่จะทำให้ มันก็ไม่ถึงกระเสื่อมแต่ว่าจะให้ได้มรรคผลก็ไม่ถึงก็ได้แต่ก็รู้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เอาตรงนี้เป็นเครื่องวัดอะ่ะจิตเราดีขึ้นเรื่อยๆพอพอจิตมันดีเนี่ยการงานอะไรก็ดีขึ้นด้วยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอะไรดีขึ้นทั้งหมดเลยเจ้าจึงมั่นใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครนําเอาไปประพฤติธปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตจเจริญขึ้นจริงไม่ว่าเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตาม เป็นพระสงฆ์ทามุ่งที่จะหลุดพ้นแม่ชีก็ตามทามุ่งที่จะหลุดพ้นก็ได้เพราะมีโอกาสมากมีเวลามากแต่ตอนเป็นโยมอยู่นี่ของเรานี่ก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลแต่ก็พอเห็นทางเห็นปัตไตรลักษ์นิดหน่อยเห็นปัไตยลักษ์แต่ว่าไม่สามารถทําให้ต่อเนื่องจนกําลังเพียงพอที่จะบรรลุทําได้พอเห็นปัตไตรลักษ์เบาเบานี่ยมันก็พูดจากประสบการณ์ ที่เคยปฏิบัติมาตอนเป็นคารวะแต่พอมาสอนเนี่ยบางคนเออบางคนนะพอฟังธรรมของพระเจ้าเนี่ยใจเขาเด็ดเลยนะอันไหนไม่ตรงนี่ไม่เอาเลยอะ่ะโอ้มันแปลกจริงๆนะบางคนนี่เขาทําจริงเลยนะเขามาถามให้เข้าใจเลยละว่าพระเจ้าสอนอยังไงตรงเนี้ยการดําเนินชีวิตเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วพระเจ้าว่ายังไงอยู่งนี้ตรงนี้สิ่งที่เขาถามในมันในชีวิตของเขานี่แหละ เี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยทํายังไงตรงนี้ทํายังไงตรงนั้นทํำยังไงแล้วเขาไปปรับใช้เลยนะอันไหนขัดกับคําสอนของพุทธเจ้าไม่เอาเลยอันนี้สามารถบรรลุมรรคผลได้จริงเพราะใจมันเด็ดเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเพียรในจิตตลอดเลยมีอะไรเกิดขึ้นพยายามปรับจิตเอาไว้ให้เป็นกลางปรับจิตให้เป็นกลางวิธีไหนก็ได้ขอให้จิตเป็นกลางไว้อที่หน้าความตายก็ไหน เ, เดี๋ยวเขาก็ตายเราก็ตายอย่างที่ว่านั้นก็เอา ตายแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะาแต่เราตายก่อนเขาก็อยู่ไปสิเรื่องของเขาไปเขาจะทําดีทําชั่วเรื่องของเขาไปถ้าเขาตายแล้วเขาไปนรกเราก็ไม่ได้ไปด้วยเขาไปสวรรค์เราก็ไม่ได้ไปด้ว ย, ว เ, วยเอา้าเรามาแก้เราอยู่กับตัวเองที่นี่เนี่ยเขาก็มีวิธีของเขาเพราะฉะนั้นบางคนไม่ได้อยู่วัดมาก็มาอยู่ก็มาศึกษามาทําความเข้าใจมาปฏิบัติตามโอกาสอันควร แต่ว่าจิตนี้พัฒนาไปได้บรรลุมรรคผลได้โสดามีสกิทาคามีอนาคามีหรือพหารก็มีแต่น้อยมีบ้างผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวนี้เราบอกเลยให้อยู่งเงียบดีกว่าบอกเขาเให้ขัดเกลาตัวเองไปเพราะมันมันวางตัวลาวําบากแล้วคนข้างนอกเขาไม่สามารถจะรู้ได้ภาะวะของพหันเป็นยังไง พลังงานที่เป็นจริงกับพลังงานในใจของเขาไ ม, ไ, มไม่ตรงกันขึ้นมาเดี๋ยวมันมีปัญหาก็เลยบอกเขาบอกว่า เ, ออเราฐานะเป็นโยมนะให้อยู่แบบนี้แหละแต่ให้พิสูจนตัวเองขัดเกเลื่อยไปทําความดีเลยไปต่อไปถ้ามีคนเขามาคุยมาอะไรด้วยเขาจะได้รับประโยชน์จากเราแล้วเขาจะยอมรับเราได้เองศึกษาให้มันมากขึ้นให้มันละเอียดขึ้นอันนี้พูดกับโยมผู้ชาย ส่วนยมผู้หญิงนั่นก็บอกแต่ว่าจิตไม่มีมันก็แปลกดีนะจิตไม่มีแล้วให้โยมทํำยังไงเขาว่าเอาจิตไม่มีก็สบายชินมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมักุ้มลุงไม่ใช่เหรอือพอจิตไม่มีแล้วใช่แต่ันก็อยู่สบายสบายไม่ดีหรอเอาถ้าหากว่าถ้าอาจารย์ให้อยู่สบายสบายโยมก็อยู่สบายสบายเขาว่าคนแก่ๆหน่อยซื่อๆคือถามตลอดคนเนี้ยจะต้องมาส่งอารมณ์มาเล่าให้ฟัง ทุกครั้งที่เจอหน้านี่จังเล่าขอเล่าให้ฟังมากก็เล่าน้อยกว่าเล่าแก้ให้เราปฏิบัติต่อไปสุดท้ายก็มาบอกว่าเนี่ยทําอย่างนี้แล้วพอดิจิตมันหายไปแต่สมาธิยังอยู่เขาว่าแล้วก็พอดีมีผ้ามาก็ไปใส่บาตรใส่บาตรสมาธิก็ยังอยู่เขาว่าทําอะไรสมาธิกยังอยู่แต่จิตไม่มีแล้วอานนี้ก็มีนี่นี่ น, นีที่เล่านี่เพราะว่าเขาเป็นโยม อยู่กับบ้านกับเรือนแต่ก็ปฏิบัตินานเหมือนกันคือใส่ใจเวลาเราไปทุกครั้งที่นคปรปฐมเขาจะมาทุกครั้งแย่ไม่ได้บอกว่าจิตไม่มีอย่างเดียวเราก็ฟักไส่ไหลเลี้ยงด้วยมันทำไมไม่มีแล้วมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมจิตอยู่ดีดีมันดับไปหายไปหมดไปในความรู้สึกก่าจิตไม่มีแต่ก็รู้อยู่เนี่ยอันนี้มันคืออะไร ก็ต้องสมมุติเรียกว่าจิตแต่ว่าจิตก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่จิตก็ใช่มัก็รู้อาลมณะมันก็นึกคิดอะไรได้ควรทําอะไรทําแล้วก็จบนึกอะไรขึ้นมาวางแผนอะไรต่ออะไรจบแล้วก็มันก็หายไปดับไปมก็เลยเห็นแต่ความเกิดดับไม่มีอะไรเลยเนี่ยจิตสุดท้ายมันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไป เลยเหมือนไม่มีอะไรออตรวจสอบดูแล้วโพธิปักเจียธรรมสมสิบเจ็ดประการธรรมะฝ่ายตัดสรู้ทั้งหมดมีแค่สามสิบเจ็ดอย่างหมวดที่หนึ่งก็คือสติปัฏฐานสีิมีสติตามดูกายกายานุปัสสนาสิฏฐานถ้าเราตามดูกายเอาถูกแล้วเวทนานุปัสสนาสิฏฐานมีสติตามดูเวทนา อ้าวมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเปียกปวดมึนชาคันมีคือเวทนาทางกายมันสบายไม่สบายหรือว่าเฉยเฉยทางจิตถ้ามันเด่นขึ้นมาก็ดูได้ทั้งกายทั้งจิตนี่คือเวทนานุปัสนาสิปืบฐานนี่ก็ถูกหลักธรรมพุทธเจ้าหมดแล้วจิตจิตตาหนุปสนาสืบฐานสติมันมีนึกมีคิดมีปรุงมีแตง่งมีเรื่องมีเล่าอะไรไม่ดีใจเสียใจฟุง้งซ่านลำคาญส่วนทั้งจิตเป็นสมาธิไหมตั้งมั่นไหม เห็นจิตเราอยู่นี่ก็คือดูจิตหมดจิตสบายจิตไม่สบายนี่ก็จะดูในแง่ของจิตก็ได้จะมุมมองในมุมเวทนาก็ได้ว่าเออมันรู้สึกมันมีเวทนาขึ้นมามันเวทนาที่ไม่ค่อยสบายแต่ส่วนใหญ่มันมักจะมาดูเป็นจิตว่าเออจิตข้งเรามีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทลาละเอียดเข้าไปนี่เหมือนไม่มีจิตหรอกมันเหมือนมีความไม่สบายอยู่นั่นเนี่ยนี่มันจะจ่อไปหาเวทนาของมันเองความละเอียดของมันอะมันมีอยู่ ถามว่ามีอะไรมันมาเกี่ยวข้องกับจิตเห็นพวกนิมิดแสงสีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตแต่มันเกี่ยวกับมีสภาวะธรรมมาเกี่ยวข้องกับจิตพวกนี้เขาเรียกสภาวะไหมายว่าสิ่งที่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นคือมันปุ้งแต่งขึ้นมาเพตอะนั้นนิมิตแสงสีอะไรต่ออะไรเสียงก็ตามมันเกิดขึ้นเรามีหน้าที่รักษาจิตไว้ไม่ยินดีในยินร้ายจิตก็เป็นกลางๆกลางจิตเป็นกลางเรื่อยไป จนมันเห็นเป็นพระไตรลักษ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอั น, นี้เรวปัญญาจริงเปัญญาที่แท้จริงคือเห็นพระไตรลักษ์ไม่ใช่มารู้พระสูตรนั้นพระสูตรนี้รู้คําสอนของพระเจ้าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แต่เห็นพระไตรลักษ์รูอะไรไม่รู้อะไรไม่เป็นไรเห็นพระไตรลักษ์แล้วจิตมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันนีถ้าใคร กำลังปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าตรงแล้วเป็นธรรมะฝ่ายตัศรุแล้วก็ต้องทําให้มันมากขึ้นจเจริญให้มากกระทาให้มากจนมันบริบูรณ์สมบูรณ์แสดงว่ามันมีเป็นลําดับลําดับมันจะปฏิบัติแล้วจะหวังหลุดพ้นหวังคันนั้นคันนี้ไม่ต้องแล้วต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำเจริญขึ้นเรื่อยๆ อ, อันนี้ถูกต้องต่อมาอีกมีธรรมอีกมวลหนึ่งเขาเรียกว่าสัมมประทานสี่ อันนี้เป็นความเพียรชอบสี่ประการเพียรชอบก็คือเพียรผู้ออกจากทุกข์อาศัยสติประธานสี่ที่เจริญนี่แหละมาเจริญสติเนี่ยเป็นหลักใหญ่แล้วก็เสริมเข้าไปเรือกว่าสติกันบาปอากุศลไม่เข้ามาแล้วทีนี้คอยระวังแล้วสังวรละประธานแล้วเนี่ยประธานวิธีอของความเพียรสังวรก็สังวรระวังเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลเข้ามาในจิต ถ้าสติมันดีมันก็ต้องจ้องแล้วถ้ามันบาปจะเข้ามาอกุศลเข้ามามันจะไปกัน้นไม่ให้เข้ามามันเข้ามาแล้วก็ต้องประหารมันไม่พอใจคิดต่อไม่ปรุงแต่งต่อไปหรือดูเฉยๆเดี๋ยวก็ดับไปเองเขาเรียกประหานะประทานกัน้นแล้วก็ประหารบาปและอกุศลทีนี้เมื่อกัน้น ไม่ให้บาปอากุศลเข้ามาแล้วมันเข้ามาก็ประหารมันได้แล้วที่เหลือเป็นกุศลทีนี้ที่เขาเรียกว่ า, าวารนาปาัฏฐานมีภาวนาคืออย่างนี้สติกั้นบาปกั้นอกุศลเรียบร้อยจิตเป็นกลางเลยทีนี้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกุศลก็เจริญคือกุศลก็คือคศลีล ส, สมาธิปัญญากุศลคือสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรกุศลก็คือการที่มี สติมีสัมปชัชญะมีสมาธิขวงนี้เป็นสายกุศลหมดเริ่มตั้งแต่ตัวสมาธิขึ้นไปตามลําดับลําดับจนเป็นสมาธิที่สามารถรู้อารมณ์ได้จเจริญหมายว่ามันมันจเจริญสติสัมปชัชญะได้เพิ่มพูนขึ้นมาอีกจิตที่มีกําลังมั่นคงขึ้นตั้งมั่นขึ้นมาทีนี้อะไรเกิดขึ้นมามันก็ไม่ต้องวิ่งไปจิตเนี่ยมันก็หมายควมเป็นกลางอยู่ เห็นเลยเอเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ด right? ับไปเนี่ยต้องอาศัยจิตที่มีกําลังแล้วถึงจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นดับไปมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับเห็นว่ามันเกิดมันดับไปใจก็เป็นกลางได้ละเอียดขึ้นสงบระงับลงไปได้มากขึ้นนี่เขาเรียกภาวนาประธานทําให้ทําให้มีขึ้นทําให้เป็นขึ้นทําให้กุศลเจริญขึ้นอนุลัคนาประธาน เพียรอนุรักษ์เพียรักษาไว้เพียรทําให้มันเจริญให้มันมากขึ้นจนมันภัยบุญภัยบุญจนมันสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์ก็คือบรรลุมรคนได้เพราะฉะนั้นทําแต่ละดับนี้สามารถบรรลุมรคลได้เลยพูดเรื่องสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวพุณเจ้าก็บอกแล้วใครเจริญสติปัฏฐานสี่พระคุณเจ้าเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนแม่น้ํำคงคาแม่น้ํางคาเอียงไปสู่ทะเลมหาสมุทรล่าไปสู่ทะเลมหาสมุทร ไหลลงสู่ทะเลมาหาสมุทรชั้นใดการเจริญสติปัฏฐานสีก็เอียงไปสู่นิพพานลาดไปสู่นิพพานไหลลงสู่นิพพานเหมือนกันฉะนั้นทำนองเดียวกันสามัคคประธานสี่ก็เหมือนกันพราะถ้า ท, ะทให้บริบูรณ์สมบูรณ์ก็บรรลุนิพพานเหมือนกันอันนี้แสดงว่าขึ้นอยู่กับจริตว่าตรงไหนมันเด่นขึ้นมาเอามีคนหนึ่งเนี่ยมีเขาเคยมาที่นี่ มาที่นี่เขาก็มามาบอกว่าเนี่ยที่จริงเขาอะไรนี้ที่จริงการปฏิบัตินี้แค่กั้นอกุศลไว้อย่างเดียวกุศลมันก็จเจริญขึ้นเองใช่ไหมคะอันนั้นแสดงว่าเขากั้นได้เขาไม่ทําแล้วบาปอากุศลทั้งหลายแล้วมันก็ไม่เข้ามาแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดก็คือการปฏิบัติของเขานั่นแหละมันไปเรื่อยๆได้แล้วมันมีผลการปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วเขาพูดได้อย่างนี้เลย บ่ถูกแล้วเพราะผู้ที่เจริญสัมมารประทานสี่อย่างเดียวก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะเรืของเขามีหลักแค่นี้เองก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเจริญสัมมานสีไปมันก็รวมเนี่ยทำมาฝ่ายตัศลุนี่แหละแต่ของเขามันสัมมาประทานสี่มันเด่นเขาก็พูดในแง่มุมที่ของเขามันชัดเจนถ้าทําให้มันสมบูรณ์เนี่ยสรุปแล้วก็คือต้องเพียนจนมันสมบูรณ์ขึ้นมา เพราะนั้นทายธรรมะที่พระเจ้าบอกว่าบุคคลที่จะบรรลุพรรพยาบรรณนั้นเนี่ยหนึ่งฟังพระธรรมคบสัตบุรุษเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังพระธรรมเมื่อครบสัตบุรุษแล้วให้ฟังพระัรรมธรรมที่จะออกพาออกจากทุกเป็นไปเพื่อการออกจากทุกเมื่อฟังแล้วให้ช้าโยนิโสมนสิการคือพิจารณาไต่ตรองให้ตรงกัตกลับความจริงอย่างถ้าเราฟังแล้วในจิตของเรามันเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนี่แหละคือโยนิโสมนสิการด้วยบางทีเราไต่ตองเอง บางทีไต่จองเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรผู้ที่เรียกว่าสัตบุรุษนั่นแหละป้อนให้อธิบายให้ฟังสงสัยซักถามเข้าใจแล้วไต่อตองถูกต้องไต่อตองเองได้แล้วก็ปฏิบัติให้ผลที่มันเกิดขึ้นย่อยๆค้อยสู่ธรรมใหญ่ๆทําใหญ่ๆไม่ถึงนิพพานเลยมม่ถึงไม่มีตัวเราหรอกคือให้มันเห็นปัจจัยลักษณ์นั่นแหละเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตน มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปมีถ้าอยู่ในหลักนี้แล้วก็นั่นละ่ะเดินทางเพื่อเยียบความเป็นโพสต์ดาบันละอย่างเช่นปฏิบัติก็ไต่ตองยอย่างหลักธรรมของพุทธเจ้าเพื่อให้ให้ฝ่ายตัดสู้ธรรมหรือฝ่ายบรรลุธรรมฝ่ายออกจากทุกเนี่ยมันมันทุกทุกขั้นตอนเลยอะ่ะองค์จะสอนหมวดไหนก็นตามมันเพื่ อ, อออกจากทุกทั้งหมดเลย ต่อมาเขาอธิบาร์ศีอธิบาร์ศีนี่พูดเยอๆแล้วว่ามีชันทะคนเราถ้ามีชันทะในการทําอะไรแล้วโห้หัวใจทําหมดอ่ะมันได้เบื่อท ำ, ทำทำแต่พระเจ้าเวลาสอนอิธิบาร์ศีทางแห่งที่จะทําให้เกิดความสําเร็จเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยเกิดความสําสเร็จได้เนี่ยถ้าเอามาสอนในเรื่องของสมาธิเท่านั้นนะไม่ได้สอนเรื่องอื่นไม่ใช่เอาไปทําการทํางานอย่างอางื่นไม่มีนะ แต่ว่าเรามาประยุกต์ว่าเออต้องมีฉันทะก็พอใช้ได้อยู่นะทาอะไรมีฉันทะเนี่ยพอมีฉันทะแล้วมันก็พอใจทําไม่เบื่อไม่หนายไม่ทอดไม่ทิ้งพยายามแต่ว่าท่านบอกว่าฉันทะสมาธิถ้าหาว่าสมาธีสมาธิได้พอฉันทะท่านเรียก ว, ว่าฉันทะสมาธิและประธานนัสังขารคําว่าประธานนัสังขารหมายถึงมีความเพียรเมื่อมีฉันทะสมาธิแล้วต้องมีความเพียร ช่วย ท, ที่จะออกจากทุกวิริยะสมาธิและประธานนสังขารมีวิริยะความเพียรมุ่งมั่นบักบันมั่นคงไม่ท้อถอยนี่ว่าคนที่จะบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมได้เนี่ยต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่มีคาว่าถอยหลังต้องอย่างนี้ด้วยนะตั้งขึ้นมาแล้วต้องไม่ล้มถ้าล้มเมื่อไหร่ถือว่าประมาทก้าวไปข้างหน้าถอยหลังเมื่อไหร่ถือว่าประมาท เหมือนถ้าเรามาวัดอย่างนี้เรามีกําลังใจว่าจะปฏิบัติตั้งอกตั้งใจกลับไปแล้วจะปฏิบัติไปถึงได้สองสามวันอ่ามาแล้วมันก็จะหลอกเราแล้วโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแหมมันก็มีงา น, ม, น, นมีนู่นมนี่วันหลังก็ได้อ่ารอให้เราพร้อมก่อนเนี่ยที่จริงตั้งใจว่าคิดว่าจะทําได้ที่ไหนได้มาแล้วโอ้ชุราเยอะเลยเกินเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ยังไม่รู้เราก็อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องไปแล้วก็จําเป็นไปหมดสําคัญไปหมดแห้มก็หลอกเราดึงเราไปอีก อย่างนี้เนี่ยว่าประมาททั้งหมดทำให้ประมาทนี่อันนี้สําหรับคนที่ออกจากทุกข์นะแต่ถ้าหากว่าคนที่ยังเมีภาระหน้าที่ก็ไม่ว่ากันนะก็ทำตามฐานะตามโอกาสทำเท่าที่เราจะทำได้อย่างน้อยก็ให้มันพ อ, อที่จะไม่ทุกข์มากเกินไปก็ดีหรืออย่างน้อยก็เอ้าให้ได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าให้มั่นใจว่าเราก็พอที่จะไม่หลงทาง เชืชาติไหนก็ให้มันรู้สึกว่าเออเรายังมีความมั่นคงที่จะเดินตามทางของพระพุทธเจ้า อ, อย่างนี้ก็ก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้มันมันเรื่องของวัตถุสงสารนี่เราไม่สามารถไปบังคับใครได้ไม่ได้ไปตำหนิใครไม่ได้ไปยกย่องชฉเชยใครเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยของแต่ละคนเท่านั้นเองแต่ใครอยากเลือกเดินที่จะออกจากทุกข์ก็ต้องเอาอย่างที่ว่านี้ก้าวแล้วไม่ต้องมีคําว่าถอยหลังให้ก้าวไปข้างหน้าตลอด มีเรียกว่าความเพียรอย่างฉันตายเกิดขึ้นพยายามพยายามให้ยิ่งขึ้นไปปรลบจิตไว้ตั้งจิตไว้ยังสมาธิให้เกิดขึ้นใจตั้งมั่นต่อไปก็ให้มันรู้ความจริงจิตตัดสมาธิเอาใจใส่จดจ่อเข้าไปเท่งเข้าไปทุ่มเทเข้าไป ผู้ที่ชีวิตใจิตใจลงไปโดยจิตตสมาธิและประทานสังขารแล้วก็มีความเพียรปฏิบัติต่อไปพ้นทุกได้มีมังสาสมาธิอาศัยปัญญาลมจิตและประธานสังขารแล้วก็มีความเพียรปฏิบัติต่อไปนี่อิธิบาสีก็สามารถพ้นทุกได้อินชียห้า ต่อมาอีกถ้าหาว่าจเจริญมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆสตินี้บางทีต้องเปลี่ยนเองอ่ะก้าวไปนิงก็รู้เองอยื่นมายื่นมือไปมันก็ทันเองรู้เองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นบางทีผู้ปฏิบัติทมเหมือนกับว่าไม่ต้องไปควบคุมมากเหมือนเก่าอ่ะเหมือนมันง่ายขึ้นสบายขึ้นอ่ะบางทีก็เอามันยื่นมือไปก็รู้บางทีกําลังยื่นมืออยู่ในสติยื่นมือมันคิดมันก็มันแปบบมาดูจิตเี่ย มายับยั้งจิตไว้มากั้นจิตไว้มาให้อารมณ์ไหลเข้ามานี่นี่เขาเรียกอินทรีย์สตรีทีทำหน้าที่ของมันเคาว่าอินทรีย์เราพู้เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการล้วลู้จิตเป็น ล, ลึกรู้ที่จิตกั้นจิตก็คือตัวสตินั่นแหละควบคุมจิตกั้นจิตรักษาจิตแล้วแวดระวังจิตแต่ภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าระ ล, ลึกรู้ระลึกได้แต่เวลาทางานก็คือมันมากั้น การอารมณ์ไม่ให้ไหลเข้ามาในจิตไม่ให้จิตไหลออกไปข้างนอกกั้นจิตไว้ควบคุมจิตไว้ระแวดระวังจิตไว้คุ้มครองจิตรักษาจิตแล้วแต่จะพูดที่นี่สํารวมจิตชื่อของสติหมดระวังจิตชื่อสติเหมือนกันระฉะนั้นสติ๔คู่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการและลึกลู้เป็นใหญ่ในการที่จะควบคุมจิตตัวสติ สตินิเมืันควบชุมจิตได้จิตก็เป็นสมาธิขึ้นมามันแน่วแน่ขึ้นมามันแน่วแน่หรือเรียกว่าตังต้งมั่นตั้งมั่นไหมว่ามันอารมณ์อะไรเข้ามาก็ตามมันมันไม่ไหลไปกับอารมณ์อ่ะนี่เรียกว่าตัวสมาธิมันไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ไหลไปถ่าวกระทบอะไรเดี๋ยวก็เพลินไปกับเขาเดี๋ยวก็มองดูอันนั้นต์แล้วก็เคลดนึกไปเห็นอะไรก็ปรุงแต่งไปบางทีอารมณ์ก็วูบว่าบเข้ามา ไปหลงยินดียินลายอย่างนี้แสดงจิตไม่ตั้งมั่นอ่ะถ้าตั้งมั่นนี่อะไรเข้ามามันดูเฉยได้เลยเป็นกลางพร้อมที่จะรู้อารมณ์ได้ทั้งดีและไ ม, ไม่ดีไม่ดีผ่านเข้ามาก็ดูเฉยได้ดีผ่านเข้ามาดูเฉยได้มันจริงเห็นความเกิดดับได้เพราะฉะนั้นมันต้องผ่านการตั้งมั่นของจิตมันถึงจะรู้อารมณ์ได้หรือเห็นประไตรักได้เพราะฉะนั้น เวลาปฏิบัติมันทุกคนจึงต้องผ่านนิวรนนิวรนเครื่องกัน้นก็คือธรรมชาติของจิตมันเคยไหลไปมันเคยไปติดข้องอารมณ์ทั้งหลายมันไปติดไปขล้องแล้วมันก็เวลามันนึกขึ้นมาปับ๊บมันก็ไหลไปกับอารมณ์เหล่านั้นไหลไปบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆนั่นแหละเป็นอุปทานแล้ว มันก็กุมลุมจิตครอบงำจิตมีอิทธิพลต่อจิตนี่ในเรื่องจิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝูกจิตแลมันมันมีปัญหาทั้งหมดแ่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตนี่จะง่ายเลยพอพอเราเข้าใจขบวนการทางานของมันอ่ะมันก็ปับเข้ามาอยู่จิตเราอยู่กับจิตเราจิตเรามันก็มันก็เรารู้แล้วอ่ะพวกโจรพวกขโมยนี่พอ พอมีตำรวจอะ่ะคอยจ้องอยู่มันไม่กล้านะที่นี่ไม่กล้ายึกยักเลยอะ ท, ที่จิตมันก็ไปไหนไม่ได้ที่นี่มันก็จ่อเข้ามาจ่อเข้ามาดูจิตรักษาจิตเอาไว้แล้วอาการอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ว่เป็นอาการของจิตเท่านั้นเองมไม่ใช่เราแล้วอพราะเรารู้แล้วเป็นอาการของมันและไม่ใช่จิตด้วยเป็นแค่อาการมันเฉยๆปฏิกิริยาของมันเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นแล้วก็ดับไป เราไม่ทําตามมันเราไม่เชื่อมันเนี่ยจบเลยถ้าใครเข้าใจเรื่องของจิตนะแล้วเห็นมันเกิดดับอย่างนี้อุปสรรคน้อยมากเพราะว่าเวลาพวกมารพวกเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ตามมันจุดจ้องมาที่นี่มันดูการทํางานของจิตนี่ว่าเราจะแพ้ไหมแพ้กิเลสไหมแพ้ธรรมเนี่ยคือไม่เอาธรรมไงพอไม่เอาธรรมปั๊บมันได้ช่องทันทีเลยพวกเนี่ยแต่ถ้าใครเอาธรรมนะ Oh, โอโหสบายเลยมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาได้ก็ตรงตรงที่เราเผอคนไหนที่มีธรรมมากๆคนก็เผอน้อยหน่อยเผอน้อยหน่อยพวกนี้ก็แทรกซ้อนได้น้อยพวกที่มีธรรมมากๆถ้าใครหลุดพ้นเลยเนี่ยก็เห็นมันนอกจากว่าบางทีก็ไม่ทานมันก็มีถ้าหาว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่ไม่ทานถ้าประสบการณ์มากๆก็รู้ทันทีเลยแต่ถ้าหาว่ายังมีอยู่มันก็มีช่องทาง พอสุวรรณเราไหลไปกิเลสตับ๊บมันแทรกทันทีเลยมันใส่ข้อมูลเข้ามาหรือพลังงานเข้ามากั้นไว้เลยธรรมะไม่เข้ามามันให้ไหลไปทางต่ําหมดอะ่ะป้อนข้อมูลต่ําๆข้อมูลที่มันจะทําให้เราเนี่ยไปในทางผิดหมดถ้าใครจิตไม่เข้มแข็งพอก็ไหลไปกับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เป็นเพราะจิตเราเองอะ่ะไหลไปมันก็แค่หาโอกาสเฉยๆแต่ถ้าจิตเรามั่นคง ทางไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เอาโออย่างนี้มันจะป้อนมันยังไงก็ป้อนมันเถอะมันก็ไม่ทําอะไรไม่ได้เพรดังนั้นแก้ไขพวกมารพวกอะไรที่มันแทรกที่มันรบกวนไม่อยากเลยแต่ตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้เพราะเราเผลอคอยตามมันทําตามมันน่มันโดนมันครอบงําได้แต่ถ้าเราไม่เอาสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เอาเด็กขาดลงไปเนี่ยหมดเลยนะนี่นลยที่พระเจ้าบอกว่ามารดูก่อนมารเรารู้จากท่านเสียแล้ว ท่านถูกเรากำจัดเสียแล้วนี่กำจัดคืออย่างนี้นะมันไม่มีช่องนะเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมาเนมันก็ต้องอาศัยสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องพองมันกั้นฝ่ายธรรมะมันก็ต้องล่อลอกให้เราทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมปับ๊บมันทำอะไรไม่ได้มันต้องสลายไปเพราะฉะนั้นสมาธินซียมันจะเป็นอินรียก็คือ ในฝ่ายที่ทําให้จิตตั้งมัน่นตั้งมัน่นในหมายก็ว่าจิตไม่สามารถได้นลอดไปทางไหนพอสมาธิมันเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการทําให้จิตตั้งมัน่นมีอารมณ์ดีเข้ามาก็เฉยได้อารมณ์ไม่ดีมาก็เฉยได้ทั้งดีและไม่ดีก็แค่เกิดของเกิดแล้วก็ดับไปนี่คืออนัตตาเกิดดับก็เป็นอนิจจงทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้ก็ดับไปก็ทุกข์ขัง ก็ไม่มีตัวเราไม่ไม่ใช่ของเราเพราะมันเกิดแล้วก็ดับไปของมันเป็นอนัตตาอัตยรักก็อยู่ด้วยกันที่นี่ต่อมาสติปัฏฐานสี่นี้ก็เข้ามาด้วยกันหมดเลยนะเห็นกายก็เห็นจิตชัดเวทนาชัดไปด้วยกันเลยมันจะรวมเข้ามาหาจิตเรื่อยเรื่อเรื่อยเื่อยที่อธิบายไหมว่มาทําความเข้าใจปเปนิดเดียวเฉยเฉยเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันรู้งานทำํำเออ มันควรจะทำอะไรทำยังไงแต่ถึงเวลาแล้วเป็นเองหมดเลยแล้วก็เป็นอยู่ในจิตหมดเป็นการทำงานของจิตไอ้ตัวที่มันมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันมันเป็นกลางแล้วอารมณ์ที่ผ่านมาเกิดแล้วก็ดับตัวปัญญาที่แท้จริงก็คือความเกิดดับนี้คือการเห็นพระไตรลักษ์นี้เพราะฉะนั้นพระไตรลักนี้จริงเป็น ประตูพันิพานถือเป็นปัญญาพาจิตหลุดพน้นออกไปได้ตัวจิตเป็นผู้หลุดพน้นแต่ว่าการเห็นพตัตยลักษมีปัญญานี้ปัญญามันมันสอนจิตมาให้ยึดมัน่นถือมัน่นพอมันเห็นว่าเกิดดับเกิดดับอยู่างนี้มันไม่ยึดไม่ยุ่งก็วางไปเรื่อยวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยพอมันเต็มที่มันก็วางจริงสลับทิ้งไปเลยจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงว่ามันมันรู้ความจริงสูงสุดพร้อมกับประหารกิเลส ทหาณอาวิชาได้ธรรมโชดดานก็เอาได้ระดับหนึ่งไปกิทาคามีระดับหนึ่งนาคามีระดับเพราะหลานหมดเลยไม่มีเหลือนี่คือทางของพุทธเจ้าทาไมใช่พุทธเจ้าไม่มีใครหรอกที่จะเอามาสอนได้มันละเอียดลึกซึ้งมากแต่ก็ไม่เกินกําลัง ของผู้ที่มุ่งมั่นบักบันที่จะปฏิบัติตามพระองค์ไปเพราะนั้นในเรื่องของอินทรีย์นี่มีความสําคัญมากตัวสัตยินทรีย์ทีนี้พอเห็นผลของการปฏิบัตินี้ศรัทธาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจา้าโอโหยิ่งนี้ปักใจลงไปเลยนะคาว่าไม่เชื่อไม่มีเลยเด็ดขาดลงไปเลยนี่เขาเรียกว่าสัตยินทรีย์ ถ้าเด็ดขาดลงไปจริงๆก็เลยบางทีก็ยกขึ้นไปอีกหมวดหนึ่งเลยเรียกว่าสรัทธาภละไปเลยจริงๆก็หมวดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าตอนที่มันเป็นที่ประหารความไม่เชื่อได้เด็ดขาดนี่คือสรัทาภละก็สัพพินซีนั่นแหละมันเป็นสรัทธาภละองค์ธรรมมันเดียวกันเลยวิลิยินซีผู้เป็นใหญ่ในการที่มุ่งมั่นบักบันแก้วกล้าอาทาน ไม่ท้อถอยเด็ดเดี่ยวความเพียรความเพียรสูงขึ้นไปนี่มันหมายถึงความอาถรรพ์นะเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวความอาถรรพ์ตอนแรกก็เอาเผากิเลนให้เราร้อนก่อนเพื่อที่จะไม่ให้จิตของเราไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายจํากัดความอยากความต้องการให้มากหน่อยอเพื่อที่ให้จิตเป็นสมาธิอันนี้เป็นความเพียรขั้นต้น เพราะนั่นไ้ความเพียงขั้นต้นนี้ต้องเอาชนะใจเราบ้างตามความอยากทั้งหมดไม่ได้เอาเท่าที่จำเป็นเอาพอสมควรส่วนเกินพยายามไม่เอาไม่เอามามันก็สงบง่ายเพราะเราควบคุมมันได้จากนั้นก็มีวิริยะขึ้นมามุ่งมั่นบากบันเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ขึ้นมาสุดท้ายรวมกระทําอื่น เป็นนริยมักเลยสุดท้ายต้องรวมตัวกับทําอื่นๆหมัว อ, อ, อ, อ, อื่นเลยประธารกิเลสปุ๊บเนี่ยเป็นอาริยมักสัต์ทินซีวิริยินซีถ้าหากว่าโอประหานความเกียดค้านได้เลยคาว่าเกียดค้านไม่มีวันนี้มีเด็กคนหนึ่งอา้อาวเขาไม่ใช่เขาเป็นครูแล้วล่ะแต่ว่ามากับพ่อแม่เขาเขามีใครจะถามอะไรไหมเขายกมือคนแรก ทำยังไงถึงเอาชนะความขี้เกียจได้เขาว่างี้นะเราว่ามันขี้เกียจเมื่อไหร่ให้ขยันเมื่อ น, นั้นตั้งใจไว้เล ย, เลยหรืออธิษฐานจิตไว้เล ย, เลยถ้าหาว่าเกิดความขี้เกียจขึ้นเมื่อไหร่จะขยันเมื่อ น, นั้นรับรองเลยความขี้เกียจหายเขาก็ยิ้มยิ้มเราถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วยังขี้เกียจอยู่ต้องไม้หน้าสามเราบอกถ้าหาว่าเข้าใจแล้วเหมือนยังยอมขี้เกียจอยู่ ไม้น้าสามนี่ถ้าใครประหารความขี้เกียจได้นั่นมีวิิยาก็สามารถเอาไปใช้เรื่องอื่นได้ด้วยเราก็บอกว่าเราเคยทำมันขี่เกียจนี่ครับปึ๊ บ, บเอาทันทีเลยพอมันเริ่มที่จะขี้เกียจมันเริ่มชักจูงไปในทางที่เนื่อยนายเร่งเลยบุกเลยเอาชนะมันเลยมีคนหนึ่งถามอีกเขาว่าเวลาเขาเป็นสมาธิแล้วมันทาอะไรทํามมันช้าๆเขาวา เราบอกนั่นแหละคือติดสมาธิสมาธิครอบงำจิตแล้วสมาธิมันมากตอนนี้กําลังจิตยังไม่พอต้องฝืนทําเร็วๆเราบอกมันอืดอาดอย่ายอมให้มันอึดอาดฝืนทำเร็วๆ เ, เดี๋ยวจิตมีกําลังขึ้นมาเดี๋ยวหายเองเคยแก้มาแล้วเ อ, อเขาเขา้าใจแล้วก็มีจริงๆโดยในะบางคนเข้าสมาธินา น, านๆมันไม่ยอมทําอะไรเลยจิตเนี่ยออกมาโอ้ยทําอะไรช้าๆที่วัดตมาก็มีโอ้ ย, อยเวลาเปิดก๊อกน้ําอ่ะใส่กระติกน้ําเนี่ย ท่านค่อยๆยื่นมือไปโอ๊ยท่านว่าท่านสำรวมอ่ะสำรวมซะจนทำอะไรช้าไปหมดเลยกลับอีกอันหนึ่งสติมีสติแต่ว่าค่องแค่ ว, ว่องไวทันหมดมันก็ดีกว่ากันเพราะฉะนั้นทำเร็วๆมีสติเร็วด้วยแค่ว่องว่องไวถีจิตมันก็เร็วสิเวลาเข้าสมาธิแล้วมันสามารถทำงานได้ีิมันไม่จมเพราะฉะนั้นพวกอือดอัดนี่ในสมาธิแล้วมันจะจมทำอะไรไม่ได้ ปัญญีนีวิริยีนีหมายถึงความเพียรความเพียรมุ่งมั่นบากบัน่นจนประหารฝ่ายขี้เกียจได้เป็นวิริยภะละเลยเป็นส ม, มาวายามะเลยไปรวมกับมักองค์อื่นเลยประหารกิเลสได้สตินีก็พูดแล้วผู้เป็นใหญ่ในการและลึกรู้ในการควบคุมจิต ทำให้จิตตั้งมัน่นทำให้จิตมั่นคงจนตั้งมั่นได้พอตั้งมั่นแล้วเป็นตัวสมาธิประหารความฟุ้งซ่านได้สตินี้ประหารความเผลอได้ไม่เผลอเลยจอยพอไม่เผลอปับ๊บจิตก็มั่นคงตั้งมั่นขึ้นมาประหารความฟุ้งซ่านได้อารมณ์อะไรผ่านเข้ามาก็เห็นแหละทีนี้พเพราะมันเป็นกลางแล้วรู้อารมณ์แล้วไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือปัญญีสี เ้า่เห็นจนกระทั่งมันสมบูรณ์แล้วประหารกิเลสได้แล้วเป็นเกิดมากผลแล้วนั่นล่ะปัญญาพละมีพลังเพราะนั้นด้การที่จะทำให้จิตมีกำลังเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสัมมาปฏิบัติด้วยมีสติแล้วเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิขั้นการฟังฟังแล้วก็เข้าใจเออพระพุทธเจ้าตรัสร่อะไร ท่าเจ้าตัดสัูวก็คือเห็นว่าลูกกับน้ำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรมันเป็นธรรมชาติเท่านั้นถ้าใครเข้าถึงเมื่อไร่พูดกันออกมาเนี่ยก็จะรู้ทันทีไม่มีอะไรเป็นของเราทันทีเลยพูดจากการเห็นจริงจากจิตจากใจไม่ได้พูดจากการที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างเดียวเราเป็นสาวกยอมรับว่าได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วปฏิบัติ จ, จนมันเป็นจริงขึ้นในจิต วิดียินซีวิดียับินรีห้าพละหา้าทำหมวดเดียวกันเดีย๋ยวนะขึ้นสู่โพชฌงเจ็ดเพราะนั้นเวลาสติปัฏฐานสี่นี่มันจเจริญเต็มที่พระเจ้าบอกว่าสติปัฏฐานสีอันบุคคลจเจริญแล้วทำกระทำให้มากแล้วจนสมบูรณ์จนบริบูรณ์จะทำให้โพชฌงเจ็ดสมบูรณ์ที่ท่านข้ามไปหมดเลยที่เราอธิบายมาเนี่ยหมายว่าท่านไปอธิบายโพชฌงเจ็ด ท, ทันทีเลย โพชงโพที่บวกองคะทมที่จะทำให้เกิดการตัดสุมีเจ็ดอย่างเพราะนั้นถ้าท้าวอยากตรวจสอบดูตอนนี้มันพร้อมเลยอย่างจิตเนี่ยใกล้จะบรรลุธรรมหรือยังไม่เวลาไม่ว่าบรรลุธรรมขั้นไหนอันดับแรกเลยทีนี้แต่ก่อนนี้พูดถึงศรัทธาก่อนเลยแต่อันนี้พูดถึงสติสัมโพชงเลยหมายสติขึ้นมาอันดับแรกเลยสติสัมโพชงสตินี้ไม่เผลแล้ว สติขั้นไม่เผอแล้วสติที่มีความอาถรรแล้วแล้วก็มีปัญญาประกอบอยู่ในนั้นด้วยมีสติพร้อมปัญญาเลยนะที่นี่คําว่าสติสัำพ陀ชงเนี่เพราะเป็นสติที่พร้อมจะบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องมีปัญญาด้วยมีสติก็มีปัญญาไปเลยเพราะฉนั้นบางทีเขาจึงพูดว่ามีสติมีสติองหมายถึงว่ามีสติพร้อมปัญญาไม่ใช่สติเหมือนกับคนปฏิวัติใหม่ใหมสติยังอ่อน ลงเดินจงกรมช้าช้าบางคนทําช้าแล้วเออสติมันดีกับช้าได้เดินช้าเดินเร็วไม่เป็นไรอะ่ะของเพราะว่าสตินี่มันมันก็คือตัวที่มันมาควบคุมจิตถ้าว่ามันมันพร้อมที่บรรลุธรรมนี่มันจะต้องมีสติพร้อมด้วยปัญญาแล้วไม่เผลอด้วยนอกจากจะไม่เผลอแล้วยังสามารถตามระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยทํา คำที่เคยพูดแม้แต่เจตนาที่เคยคิดขึ้นมาในจิตขนาดนั้นนันที่นี่ตัวตองละเอียดเลยนะสามารถดึงมาได้ดึงมาแล้วก็สามารถจับเอาไว้ได้ด้วยจับอารมณ์ไว้อ่ะถ้าใครถึงเนี่ยฟังแล้วเข้าใจนะเนี่ยหมายว่าดึงมาแล้วก็ยังไม่ทำหนีไปไหนจับไว้เหมือนกับเอาคนไข้มาหม อ, อคนไข้มามัดไว้ หรือใส่ยาสงบพละไว้ให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันหนีไปไหนแบบเดียวกันสตินี่ระลึกขึ้นมาจับไว้เลยปั๊บทีนี้มันก็จะมียานสองดูเขาเรียกธรรมวิจยาสัมโพชฌงสองดูตัวสองก็เป็นตัวหนึ่งตัวดูก็เป็นตัวหนึ่งพอดูลงไปแล้วเนี่ยมันก็เห็นเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเวลาเจะจาอารมณ์เนี่ยมันจึงเห็นเอาตัวมีใครว่าเราอย่างนี้ปั๊บมันเคยเจ็บปวดดึงมาเลยมันเจ็บปวด คำพูดอย่างนี้เจ็บปวดจากนั้นมันตัวปัญหาตรงนี้มันจะส่องเข้าไปส่องเข้าไปตัวเจ็บปวดก็ไม่ใช่เราเรื่องราวที่ทําให้เจ็บปวดก็ไม่ใช่เราคนพูดก็ไม่ใช่เราทิ้งหมดเลยนี้เวลามันจะปล่อยมันปล่อยแบบนี้น่ะมันเห็นมันเห็นเห็นไปตามเราเราไล่ทิ้งหมดเลยเห็นในจิตว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราสรุปแล้วไปจากจิตอย่างเดียวพอจิตรู้จิตเข้าใจแล้วมันวางแล้วมันวางแล้วโอ้ยเรื่องเราทั้งหมดไปจากจิต อคนทั่วไปก็บอกว่าคนนั้นคนนี้ทาเป็นผู้พวกนั้นเป็นผู้พวกนี้ทําแต่เวลาธรรมะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือสาวกของพระพเจ้าถ้าปฏิบัติเข้าไปถึงแล้วนี่จิตของแต่ละคนทั้งหมดถ้าแก้ปัญหาต้องแก้ที่จิตถ้าแก้ที่จิตไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ได้กันนิดๆหน่อยหน่อยแก้ปลายเหตุ เพราะนปัญหาของสังคมแก้ได้ไหมแก้ได้นิดหน่อยพร้อมจะมีปัญหาอยู่ตลอดเพราะปัญหามอยู่ในจิตแล้วทำยังไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้อา้าวก็ต้องหาทางออกซะเองสิอย่าไแบกโลกไว้มันไม่ได้หรอกพระองท์เจ้าทก็ทำอย่างนี้แหละเอาแล้วไม่ช่วยโลกนบ้างเลยเหรอโหก็อยากช่วยแล้วจะให้ช่วยยังไงล่ะแล้วเวลาแก้จิตในี่ใครแก้มันก็ต้องแก้จิตตัวเองไม่ใช่เหรอ พคนพูดนั่นแหละแก้จิตตัวเองได้ไหมอ้าทีนี้ก็ย้อนเข้าไปหาจิตของแต่ละคนนี่ถึงจะแก้ได้แต่แล้วแล้วเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกสัตว์โลกทั้งหลายต้องอยู่อย่างนี้นี่คือวัตตาสงสารเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์กระมันทีนี้ทนอยู่ไปเพราะมันมาเกิดแล้วตายเมื่อไร ถ้ามันยังมีเชื้ออยู่ก็วนเวียนกลับมาเกิดใหม่ทุกใหม่ได้อีกไม่เป็นไรยอมทุกยอมทรมานก็ได้ถ้าใครยังไม่อยากหลุดพ้นแต่ถ้าใครหลุดพ้นแล้วยิ้มได้แล้วเราไม่กลับมาอีกแล้วนี่หัวเราะเยอะมันเลยไอ้พวกกิเลสทั้งหลายพวกวิตาสงสารทั้งหลายกูไม่กลับมาแล้วใครอยากกลับมาเกิดอีกเชิญไม่ว่ากันแล้ว แต่เราไม่กลับมาอีกแล้วพอแล้วรู้แจ้งแล้วรู้ชัดแล้วเบื่อหน่ายเต็มที่แล้วใครจะมีจะเป็นจะได้อะไรไม่อัศจรรย์อีกต่อไปแล้วถ้ายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะทุงสารอันนี้เพราะมันเป็นวัฏฏะทุกข์จริงเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มี จะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมขนาดไหนก็ตามเถอะตอนที่คาดหวังก็ใช่เออถ้าได้เงินขนาดนั้นขนาดนแล้วคงมีความสุขสบายแล้วมันคิดเองพอไปถึงเวลาไม่ใช่ดิ้น้นใหม่อีกแล้วออถ้าได้แฟนได้อะไรมาสวยๆรวยๆอะไรหน่อยมีบ้านมีช่องนะคงสบายแล้วไปถึงแล้วไม่สบายมีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้แม้คงจะจบ แก้แล้วไม่จบเดี๋ยวปัญหาใหม่มาอีกแล้วตาบใดที่ยังมาเกิดในโลกไม่ว่าโลกไหนๆละ่ะไบยภูมิก็ตามสุขติภูมิก็ตามมนุษย์เทวดาหรือพรมมโลกก็ตามในโลกกระทาตคือโลกทั้งสามนี้จ้องู้ทุกมีปัญหาทั้งหมดเพราะฉะนั้น มีสติมีปัญญาแล้วจับอารมณ์ไว้ได้ตัวสตินี่นอกอยากจะจับอดีตดึงอดีตเข้ามาให้จิตเพ่งเลง็งให้จิตสอดส่องดูแล้วตรวจสอบดูแล้วสุดท้ายมันก็เห็นว่าเออมันเป็นไปนตามเหตุปใจใัจจัยเฉยๆพอกระทบกันมันก็มีความรู้สึกขึ้นมาแต่ละคนก็มีความรู้สึกพอมีความรู้สึกมันก็อยากทำอะไรออกมาตามความรู้สึกนั้นทำออกไปแล้ว มันก็กระทบกันถ้าไม่ทํามันก็วนเวียนอยู่ในจิตมันจะมีอุปทานไปยึดเรื่องไว้ยึดเรื่องไว้แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นในจิตมาอยู่ในจิตปรุงแต่งวนเวียนทนไม่ไหวลงไม้ลงมือกระทาออกไปอีกก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาก็คือเรื่องของจิตนี่แหละที่แรกไม่มีอะไรหรอกมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องกระทบอารมณ์กระทบอารบบมณ์แล้วจะมีความรู้สึกมีความรู้สึกแล้ว ม, มีอยากทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น อยากบ่อยๆก็เป็นอุปทานอุปทานแล้วก็ไปจิตก็ไปติดมันเนี่ยเป็นพบขึ้นมาในจิตวนเวียนปรุงแต่งอยู่ในจิตวนเวียนมากเข้ามากเข้าลงไม้ลงมือทั้งดา่าทั้งว่าเสียดสีทะเลาะบ่อแวง้งยิงกันฆ่ากันการทำงานของจิตทั้งหมดแต่ไม่ทันทีนี้ก็โทษกันไปโทษกันมาที แล้วให้ทำยังไงอะ่ะโทษไปโทษมาแ ก, กล่จะตายจริงๆก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็เฮ้ยเอาทําไงดีวะพอพ่อพอ พ, อ พ, อพอเดี๋ยวจะตายกูจะตายแล้วมึงก็จะตายอยู่แล้วจะหาทางออกคนสองคนก็เหมือนกันต้องทะเลาะ ก, กันก่อนวัดกําลังกันก่อนจะเอาแพ้จะเอาชนะกันก่อนพอ เอากันไปเอากันมากันเหนื่อยล้าทุกแล้วทุกเ ล, ล่าทุกแล้วทุกอีกก็ไม่ไหวเออไม่ไหวแล้วก็เอาพอหาข้อยุติถึงฆ่ากันตายก็ตายแล้วก็มาเกิดอีกอะเกิดก็มีกรรมอีกอะไม่ชื้นชุดมาตตาสงสารสติสัมโพชฌง ทำมวิท ย, ยาสัมโพชชงเห็นแล้วมีแค่รูปนามรูปนามกายใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยเห็นชัดเจ น, นวางอารมณ์ได้เพียนเพื่อให้เห็นแค่รูปนามไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามีเรียววิทยะสัมโพธชงเมื่อเห็นว่ามีแค่รูปนามไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราปีติธรรมปิติเกิดขึ้นคราวนี้ต่างจากปีติในสมาถานะ ปีติสมาธนี่โอ้ยตัวโยกตัวโคง้งตัวกระตุกตัวเบาตัวลอยน้ำหูน้ำตาไหลเกิดความซาบซ่านไปทั่วร่างกายเดี๋ยววันนี้ก็มีคนเล่าบอกว่าเออเนี่ยเขานั่งไปแล้วทําไมมันมันกระตุกวูบวาบวูบวูบวาบขึ้นมาบอกนั่นแหละอํานาจของปิติแสดงว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิขั้นเริ่มต้น แต่คราวนี้มันเห็นแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยโอ้โหใจมันอิ่มแบบอิ่มเต็มอยู่ตลอดเลยนะอิ่มพลังก็เต็มอิ่มแต่นี่มั น, ม, นมีปีติหล่อเลี้ยงเรเรียกทามาปีติเพราะมันเห็นทำปีติที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่ในจิตปัสสติสามโพชงค์จิตสงบระงับเลยทีนี้ ปัตสิที่สัมโพชฌงสงบละ ง, งับเลยไม่อยากยุ่อยากเกี่ยวกับอะไรใจก็ตั้งมัน่นสมาธิสัมโพชฌงมั่นคงพร้อมที่จะรู้ความจริงรู้ความจริงปล่อยวางตั้งมั่นเพื่อจะเห็ น, นี่แหละเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ของเราเท่านั้นเองพอหดเข้ามาแล้วมันมีอะไรมากนะมาดูกายกับใจมาดูขันห้าไม่ใช่ของเราแล้ววางอุเบขาทิมวางเฉยเลย วางเฉยนั่นพร้อมแล้วทีนี่ น, นี่แหละนี่แหละมันมักจะรวมตัวกันตรงนี้เลยต้องมีอุเบขาด้วยอุเบขาแต่บางทีก็อธิบายยังไงก็ได้เพราะมันเป็นภาษาใจแล้วตรงเนี้ยเพรา ะ, ะนั่นอุเบขาที่วางไม้ทั้งกิจเลยนะมันเฉยของมันราบเลี้ยเพราะมันชนิดที่เป็นธรรมชาติเลยล่ะมันจริงเหม่ว่าอธิบายยากนะนอกจากคนที่ไปเห็นด้วยกันแล้วเนี่ย อธิบายได้เลยหรือหรือใครเห็นก็ตามอธิบายมายังไงก็ตามอ่ะมันก็มีสภาวะตรงกันอยู่มันเึงรับรู้กันได้ฟังเข้าใจได้คือสภาวะที่เห็นมันจะเห็นเหมือนกันตรงเนี้ยพอเห็นเหมือนกันบับเขาจะบอกยังไงภาษาใจของเขาพูดออกมาแบบไหนมันก็จะมองไปที่สภาวะอันนั้น เราก็รู้ว่าเออสภาวะอันเดียวกันอันนี้แต่ว่าเขาพูดภาษาของเขาเป็นอย่างนี้ความหมายของเขาเป็นอย่างนี้แต่ชี้ลงไปที่สภาวะเดียวกันนี่มันถึงยอมรับกันได้ไงพองเบขาปั๊บอลิยมารกลรวมแล้วทีนี้ปุ๊บเป็นหนึ่งประหารกิเลสเลยรู้ความจริงหมดจดไม่มียเป็นของเราพร้อมกับประหารกิเลสได้ด้วยตัณหาก็ขาดสมูทยขาด มีโลดตากรดแย่งชัดอยากกทบทวนละที่นี่อ้าวโอ้เห็นอะไรนะเมื่อกี้มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงอ้าเนี่ยทบทวนตรวจสอบนี่ละ่ะตั้งแต่สติปัญญาสี่ถ้าสมบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์อริยมรรคสมบูรณ์วิ ช, ชาและวิมุมูดเกิดหลุดพ้นได้นี่สามสิบ เจ็ดประการเลยทีนี้มรแปดนี้ยังไม่ได้อธิบายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันวันนี้พูดย่อๆแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งการที่จะพูดธรรมะที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นอยู่ผู้ฟังด้วยก็พูดพอเป็นแนวทางว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ อยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าโพธิปักจียธรรมทรมฝ่ายตัดสูุแน่นอนตั้งแต่สติปัาสีสามมปทานสีอธิบาท4ีอิน 5, รีห้าพละหา้าโพชฌงเกดอริยมรรยองแปดรวมแล้วมีสามสิบเจ็ดประการบางทีเขาก็อธิบายในแง่ของอริยมรรยมกรยมาพูดในแง่ของวิธี พูดถึงเขาวิธีทางทางก็คือเอาเริ่มมีสตินีหนก็สติประถานสี่นีก็ัสมมาสติแล้วแต่เบื้องต้นน่ะเขาไม่เรียกว่าสมมาสติเพราะว่ามันเป็นสติเล็กๆน้อยๆแต่สติเบื้องต้นไปก่อนสติที่มันเขาเรียกว่าสมมาสตินี้มันต้องเป็นสติที่มันตั้งมั่นแล้วเขาจึงเรียกสมมาสติเพราะฉนั้นสติแรกๆนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นสติธรรมดาไปก่อน ถ้เป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาเข้ามาแล้วนี่เริ่มเป็นฝ่ายมรักแล้วทีนี้สติรักษาจิตเป็นสมาธิสมาธิก็สมาธิสมาาัฏะสงบก่อนต่อมาก็เริ่มรู้อารมณ์เริ่มรู้เห็นปัตติรักษนี่ก็เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นเห็นเห็นปัตติรักนี่คือสัมมาทิฏฐิ เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะตอนแรกยังไม่เห็นอ่ะได้ยินได้ฟังว่ากายกระใจไม่ใช่ของเราแค่ร่างกายนี่สุดท้ายมันต้องตายเราก็เชื่อไปก่อนเออมันก็สอดค้องกับความจริงด้วยแต่จิตยังไม่เห็นพอปฏิบัติแล้วเห็นมันอยู่ข้างมันจริงร่างกายไม่ใช่ของเราจริงมันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงของมันเวทนายิ่งชัดเห็นชัดๆเลยแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้เวทนาเกิดขึ้นถ้าเราทนดูไปเ้ยเวทนาก็อยู่ที่ร่างกายไม่ใช่ของเรา มันคือเรื่องของมันความเจ็บนั่นคือเรื่องเวทนาไม่ใช่เราเจ็บเวทนามันแสดงตัวพอเรานั่งนานในเวทนามันเกิดขึ้นก็หมายว่าร่างกายเนี่ยมันเกิดเวทนาของมันบอกมีเกิดเวทนาของมันเป็นเวทนาทางกายเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทางกายถ้าจิตของเรารู้ตรงนี้มันก็มองดูอยู่เฉยๆเห็นว่าเวทนาอยู่ที่ร่างกายจริงหน้าตาเวทนาก็เป็นอย่างนี้เองมันเจ็บเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ดูได้ด้วย ประมาณได้ด้วยไอจิตของเราเนี่ยเราเคยถามมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถามได้ด้วยนะมันตอบได้ด้วยไอจิตเนี่ยแปลกจริงๆเลยนะเต็มที่หรือยังยังไหวยอยู่แน่พอมันเต็มที่จริงๆกระวนกระวายที่นี่เด็ดขาดเลยตายเป็นตายขาขาดขาดไปเลยเราไม่เปลี่ยนเด็ดขาดเราไม่ขยับเด็ดขาดอาธิษฐานจิตสำทับลงไป จะไม่ขยับเขยื้อนเพื่อนนี้เวทนาเดชศาสตรโอ้โหข่าวนี้เหม่อมันขนปัญญามาช่วยเออเวลามันจนมุมอะ่ะเออมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่หรอไม่ใช่ของเรานี่นะสักแต่ว่าเวทนานี่ผู้เจ้าสอนมันจะเป็นเชื่อผอู้เจ้าเลยเหรอโอโหมันขู่จิตนะเออจิตมันจะเชื่อขึ้นมาทีนี้เออจริงๆพิงผู้เจ้าสอนจริงวนวางได้เอาทนต่อไปได้อีกนั่นข่าวนี้มันเริ่มมีธรรมแล้วทีนี้มันเห็นด้วยแล้วมันสอนตัวเองได้ด้วย ว่าไอ้ตัวจิตมันสอนจิตแหละที่นี่เั่นแหละจิตที่มันมันเชื่อธรรมของพระเจ้ามันได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้ามันเอาธรรมะมาสอนจิตจิตเชื่อธรรมขึ้นมาจิตก็เริ่มเป็นธรรมลหละที่นี่สะสมธรรมทีเล็กทีละน้อยเออแตาไม่สู้เลยอะมิแต่ขยับขยับโอ้เราว่าตรงนี้เสียโอกาสแล้วถ้าใครยังสู้ดูนี่โอ้พระเจ้าบอกเลยอ่เวทนานีชัดเจนที่สุด่เห็นเห็น เห็นมันไม่ใช่ของเราอย่างนี้เลยมันสมาธิฏฐิอันนี้โลกุตละสมาธิฏฐิด้วยเป็นสมาธิฏฐิแนวโลกุตละเลยหรือวิปัสนาสมาทิฏฐิก็ได้เป็นสมาธิฏฐิแนววิปัสนาแนวรู้แจง้งชัดเจนเห็นด้วยจิตฝ่ายปัญญาสมาธิฏฐิละเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสัมมาสังกัปปะเป็นยังไงทีนี้ ทีแรกก็สอนแบบเบื้องต้นอะว่าเออสัมมาสังกัปปานี้ก็คือเนคขามะสังกัปปะให้ออกจากกามอาพยาปาทัสังกัปปะไม่พยาบาทออกจากพยาบาทอาวิหิงสาสังกัปปะ อ, ออกจากการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนโอ้ยแต่เวลามันเห็นอย่างนี้นะเหมือนอยากเป็นอิสระเลยนี่แหละมันจะออกจากความยึดมั่นถือมั่นออกจากความหลงผิดเลยละตัวละตนเลยหนุ่ข้ามขั้นไปเลย พยาบาทไม่ต้องพูดถึงมันไม่เอาแล้วไอเดียเียนคนนั้นคนนี้ไม่เอาแล้วผอวางหมดเลยละไปหมดเลยพร้อมกันเลยนี่มีเวลามันเข้าสู่มารกมันจะเป็นอย่างนี้เมืม่อใช่ทีละตัวทีละตัวอย่างภาษาปริยัติแล้วอาจจะเป็นเรื่องต้นเอนให้มีเน่ฆมาสังกปะดาหลีที่จะออกจากกามเรื่องลูกลถกินเสียงสัมผัสใบดินลน มาก็รู้มันทันมันเห็นมันละมันไปแต่พอขึ้นมรักแล้วนี่ประหารในจิตเลยโอ้เห็นเลยเพรว่าโอ้โหมันจิตที่มันดิ้นรนไปคว้าไปควายคว้าเอามานี่ยโอ้โหมันทุกข์่ยเนี่ยพอมันมีสมาธิแล้วนี่มันตั้งมั่นแล้วนี่มันพอขยับตัวจิตปั๊บจะไปเอาอย่างนี้วับเลยโอ้โหเสียแทงใจทันทีเลยสูญเสียความสมบูรณ์ของจิตเลยนี่เห็นในจิตนี้มันละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะ มันเึงวางได้อ่ะีปัญญาที่แถมส่องเข้ามานู่นเห็นเขาทะลุเข้าไปถึงจิตเลยเป็นเขาจิตเราเองมันจะไปเอาเพราคุมจิตได้มันก็ตัดปุ๊บมันก็ไม่เอาไม่เอา้ขาดออกไปเพราะฉะนั้นจิตมันจึงอยากอยากเป็นอิสระเพราะถ้าเป็นอิสระแล้วมันสบายมันไม่มีอะไรมาเสียดแทงใจได้สมาสังกปาอยากเป็นอิสระเลยอันนี้พูดในภาษาของการปฏิบัตินะ ส ม, มาวาจากะนี้สัมรวมถึงออกมาแล้วก็สัมรวมมันไม่อยากให้มีปัญหาเสียดแทงใจอะ่ะมันก็เลยสัมรวมมีสติเข้าไปมีสติมันก็มีวิทยาอยู่ในนั้นละ่ะจดจ้องจิตเอาไว้นั่นะปฏิบัติที่จิตละที่นี่ไปพร้อมกันเลยมีความเพียรอยู่ที่จิตสติอยู่ที่จิ ต, จตใจก็ตั้งมั่นเลยที่นี่นั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิไม่สําคัญแล้วพวกนี้อนะจอดูจิตตามดูจิตละ่ะ ทำอะไรอยู่ในชัดเจนดัวนั้นไม่เลือกอารมณ์แล้วปล่อยสบายสบายเลยที่นี่ไม่ต้องคุมหลอกจากบางเรื่องจิตไปติตไปคล้องสอนจิตอบรมจิตแก้จิตมีเรื่องของมักจามากมันตะโอ้ยจะไปทาผิดทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไหวมันเสียแพงใจรักทรัพย์คนนั้นคนนี้โอ้ไม่ไหวไม่อยากทำเลยละ ไหนมันผิดแล้วไม่อยากทํารูว่าเองเห็นลูกเมียเขาสนใจขึ้นมามันก็กลัวบาปกลัวอ่าใจเนี่ยมันจะสูญเสียไอ้ธรรมะมันก็เลยไม่ไปเกี่ยวข้องมันประหารอยู่ในจิตเนี่ยมันก็เลยเป็นมักขึ้นมาเทียนอยู่ในจิตเนี่ยสติคอยควบคุมจิตไว้มันมีอาการขึ้นมาเห็นมันเห็นมันแล้วไปทําไม่ทําตามมันยับยั้งเอาไว้มีสติเข้าไปเห็นมันไม่ใช่กลัวบาปหรอกมันไปเห็น ไปเห็นแล้วมันก็ละอายต่อบาปขึ้นมามันมีฮิลิขึ้นมามีโอตะปาขึ้นมามันก็สํารวมตัวมันเข้ามาแล้วมันก็ละเจตนานั้นไม่ทำแต่ความรู้สึกมีก็มีแต่มันไม่ทำแต่ไม่ใช่ห้ามมันว่าไม่มีถ้ามีแล้วเป็นบาปไม่สบายใจไม่ใช่มันมีก็ห้ามไม่ได้เนี่ยธรรมชาติตของกิตมิไซยของจิตมันเกิดได้เกิดได้แต่ว่า เราไม่ทำตามมันมันก็จบอันนี้เรื่องของธรรมะเป็นฉีนอยู่ในจิตเป็นธรรมไปด้วยกันสมาชีโวโอโ้ยจะไปทุจริคตคดโกงคอร์รัปชันอูย้ยมันเจ็บปวดขึ้นมาเองมันทำไม่ได้เลยเนแต่อาชีพที่ ม, มันไม่บริสุทธิ์จริงๆอะ่ะ ทางโลกเขาบอกว่าสัมม า, าชีวะแต่ทางทำไม่ใช่อ่ะค้ามนุษย์เนี่ง ไ, งไม่ทำแล้วค่าขายสัตว์มีชีวิตเพื่อเป็นอาหารเนี่ยโอ้ยทำไม่ได้ทำไม่ลงค้าขายยาพิษประหารประหารชีวิตคนอื่นไม่เอาละสิ่งที่มันทำให้ขาดสติดื่มน้ำเมาค้าขายน้ำเมา ขายสัตวอาวุธเพื่อฆ่ากันไม่เอาดีกว่ามันก็ไม่สนใจเพราะมั น, มนจิตมันต้องการความบริสุทธิ์ของมันไปทําในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เอาเนียมักมันละเอียดเข้าไปหาจิตหมดอ่ะยังมาสัมมาสติอธิบายมามากแล้วสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็เพียนตลอดมานี่แหละสัมมาวายามะแล้วถ้ารวมเป็นหนึ่งเมื่อไหร่เพราะนั้นมักเป็นทั้งทางเป็นทั้งผล กำลังปฏิบัติอยู่เรียกว่ามักก็ได้จเจริญในยะ ม, มักในองค์แปแต่พอมันสมบูรณ์ปั๊บทหารข้าศึกได้นี่มักที่แท้จริงอยู่ตรงนี้บรรลุมักเขาเรียกบรรลุมักหลยโสดาบปฏิมั ก, กโชดาปฏิมักโชดาปฏิผลสัจจะฆามีมักสัจกรทาฆามีผลอานาคามีมักอานาคามีผลอรหัตมักอรหัตผล บรรลุได้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของมุติเจอาเสกเลียนหนึ่งนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะให้เราตั้งใจว่าขอให้การปฏิบัติธรรมของข้าวเจารในวันนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าสมกับที่พรโองค์ ทรงตรัสว่าบุคคลใดปฏิบัติธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคตการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาเราอย่างแท้จริงส่วนอนิจบูชาก็ทําไปก็เป็นการบูชาเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริง ก่อนที่จะล่าลาพระพุทธเจ้าวันนี้ให้เราเข้ามาดูผลของการปฏิบัติของตัวเองในวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างจิตเราเป็นยังไงกายเป็นยังไงมีเวทนาชนิดไหนเกิดขึ้นบ้างแล้วเราได้อะไรจากการปฏิบัติในวันนี้แล้วก็สอนตัวเองก่อนที่จะเลิปฏิบัติ เราก็พยายามตั้งใจลุกไปแล้วก็จะพยายามมีสติเดี่ยจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่ขึ้นไปต้องพยายามมีสติพยายามให้รู้ตัวจะพูดก็ให้รู้ตัวทําอะไรรู้ตัวมีความสารวมระวงังของให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอารยสัจธรรม ส่วนทนจากทุกข์ในวัฏสงสารเลยเถิดราถนาบรรลุตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจอุทิบุญรวบรวมกําลังบุญของเราทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนเขามารวมไว้ที่ใจของเราอาศัยเจตนาที่จะอุทิศบุญยกจุดเราขึ้นมาแล้วก็อุทิศบุญขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์ จงเป็นบรันรดาลบุญของขา้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของขา้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สา ม, ามีภรรยาลูกหลานพี่น้องผู้มีวระคุณของขา้าพเจ้าให้แกด่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตในบ้านในเรือนในที่ทํางานร้านค้าในบริษัท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 เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกินนุ้นข้าพเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งขึ้นไปได้เถิดข้าพเจ้าจะมันทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เรียๆไปเอาวันนี้พอแค่นี้นะแ ต, ตะ่ตำรวจแต่นั่งฟังตลอดบะเอ้ตํารวจฟังได้ตลอดวะตํารวจนะเนี่ยไรจับขโมยได้บ่เฮะ เมื่ได้จีโอ้ยถอดยศได้แล้วตำรวจเนี่ยลายจับขโมยบ่ได้เอาหูจับว่าว่าขโมยหู้เรื่องใช่ได้แล้วหู้บอกขโมยในจิตน่ะเฮมันขโมยออกไปอยู่นี่บ่น่าเนีหมบ่ขโมยจับขโมยบม่ได้แล้วเฮ้ฟังออกไหมยมพ่อคุณแม่เฮะ ชัดเจนด้วยพอที่เทศนี่แหละต่อภาษาอีสานนี่ฟังออกไหมเมื่อกี้นี่ออภาษาอีสานไม่ออกไม่ได้ฟังด้วย อ, อขโมยในจิตไหมมันมันขโมยออกไปเที่ยวนะถามถา ม, ถามท่านเป็นตำรวจท่านมาบวชเมื่อชั่วคราวก็เลยถามว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะ่ะไทันขโมยไหมขโมยมันขโมยออกไปเที่ยว คือคือถ้าสตินี่มันก็เหมือนกับไอ้ให่ถ้ามันสติบดีอ่ะเหมือนกับขโมยมันจะมาขโมยของใช่ไหมถ้าสติดีมันมันกล้าเข้ามาเอ้แต่ฟังธรรมหมวดนี้เข้าใจเสดงว่าใกล้แล้วอนี่แหละนี่แหละฟังธรรมหมวดนี้เข้าใจหมวดเดียวพอเลยมีในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าใจไหมแล้วพระเจ้าทุกพระองค์ต้องสอนแบบเดียวกันหมดไม่ต้องเป็นรอแล้วเดินต่อไป สมบูรณ์เมื่อไหรถึงเมื่อนั้นอนี่แหละหมวดนี้แหละพยายามทําไว้นะประจําเรื่อยไปอย่างน้อยเห็นทางแล้วได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆอไม่พอนี่นี่ก็ก็คืออย่างนี้ไงค่อยๆเดินไปนี่แหละเอออย่างน้อยมีความหวังแล้วมออีทางแล้วไงอย่างน้อยได้ทบท่ทางแล้วรู้ทางเดินไปแล้วก็ต้องพยายามเดินดีกว่าไม่รู้ทาง